สาหเอกะปทุมมะวัคหมวดว่าด้วยพระเอกะปทุมะเป็นต้นหนึ่งเอกะปทุมมิยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระเอกะปทุมมิยะเถระพระเอกะปทุมมิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินาจ้าพระนามว่าปทุมุตระส่งถึงความสําเร็จแห่งธรรมทั้งปวง ทรงทำให้แจ้งพบน้อยพบใหญ่ทรงช่วยประชุมชนจำนวนมากให้ข้ามพ้นวัสงสารครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพญาหงประเสริฐกว่า น, นกทั้งหลายบินโผลลงยังสะน้ำแล้วเล่นอยู่อย่างสำราญใจขณะนั้นพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาเสด็จเหาะมาเหนือสะน้ำ ข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้สยามภูผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกจึงหักดอกบัวหลวงซึ่งน่ารื่นรมย์ใจที่กล้านแล้วข้าพเจ้ามีใจผ่องใสใช้เจ้างอยปากคราบโยนขึ้นไปในท้องฟ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระศาสดาพระนามว่าปทุมมตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชา ประทับยืนอยู่ในอากาศได้ทรงทำอนุโมทนาว่าด้วยดอกปทุมดอกเดียวนี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นท่านจะไม่ตกวินิบาตในโรกเลยตลอดหนึ่งแสนกลับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระครั้นตรัสอย่างนี้ทรงสรรเสริญกรรมของข้าพเจ้าแล้วได้เสด็จไปตามพระประสงค์ในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป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 ได้พาสิกธถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้เอกปทุมิยะเทราประธานที่หนึ่งจบสองตีนุปละมาริยะเทราประธานประวัติในดีิชาติของพระตีนุปละมาริยะเทระพระตีนุปละมาริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นวานน อาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขาทรงทำที่ทั้งปงให้สว่างสวยัยดังต้นพยามสาสละมีดอกบานสะพรั่งทรงประกอบด้วยพระลักษณะและอนุพยัญชนะครั้นได้เห็นแล้วก็มีความปลื้มใจเขาพระเจ้ามีจิตเบิกบานมีใจยินดีร่าเริงด้วยปีติได้ใช้ดอกอุบลสามดอก เพื่อนบูชาเหนือเสียงกล่าวครั้นใช้ดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วเคารพนบนอบแล้วบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศเหนือเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินประโยงคกลับด้วยใจที่ผ่องใสจึงพลัดตกไปในระหว่างภูเขาหินถึงความสิ้นชีวิตแล้วเ้ืยอการที่ข้าพ เ, เจ้าได้ทาไว้ดีแล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่น ข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงเข้าพระเจ้าได้ครองเทวสมบัติตลอดสามร้อยชาติและได้เกิดเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิห้าร้อยชาติเนื้กลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้เพอร์ปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปด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 ประวัติในดิตชาของพระทัชะทะทะะทชะทายกะเถระพระทัชชะทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าเห็นความสิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสทั้งสามจึงให้ยกทงขึ้นบูชาพระศ า, ศาสดาพระนามว่าติสสะผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อางกว่านรชนด้วยกุศลกรรมที่เขาพเจ้าได้ทาไว้นั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่น ข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วได้เปิกเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าได้ครองเทวสมบัติตลอดสามร้อชาติและได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าร้อยชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูรนับชาติไม่ท่วนข้าพเจ้าได้เสวยกรรมของตนที่ทำไว้ดีแล้วในครั้งก่อนในขับที่เก้าสบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายทงวันนี้ถ้าข้าพเจ้าปรารถนาก็จะพึงใช้ผ้ากระมกปกปิดแผ่นดินพร้อมทั้งป่าและภูเขาได้นี้เป็นผลแห่งกรรมที่ข้าพเจ้าทำไว้ในครั้งนั้นคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละ ได้ทราบว่าท่านพระทัชชะทายกะเทระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ทัชชะทายกะเทราประธานที่3ามจบ4ตีนิกกิงกณิปูชกะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระตีนิกกิงกณิปูชกะเทระพระตีนิกกิงกณิปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่า ในที่เมื่อไกลภูเขาหิมะพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อภูตักนะข้าพเจ้าได้เห็นผ้าบางสกุลคล้องอยู่บนยอดไม้ที่ภูเขานั้นขณะนั้นข้าพเจ้าร่าเริงมีใจเบิกบานได้เลือกเก็บดอกงอนไก่สามดอกมาบูชาผ้าบางสกุลเนื้กับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลเนีงการถวายดอกไม้สามดอกกุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปดและอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระตีนิกกิงกณนิปูชกะเทระได้พาสิกข า, าเหล่านี้ด้วยประการชนี้ สีนิกิณกนิปูชกะเทราประธานที่สีจบ5นลาคาริกะเทราประธานประวัติในเดตชาติของพระนลาคาริกะเทระพระนลาคาริกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่มิ่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อหาริกะ พระสยามผูปเจรกพุทธเจ้าพระนามว่านาระทะประทับอยู่ที่โคนไม้หนึ่งครั้งนั้นข้าพเจ้าได้สร้างเรือนไม้อ้อมุงด้วยหญ้าแผ่ทางที่จงกรมแล้วได้ถวายแด่พระสยามผูเนื้อขับที่สิบสี่ข้าพเจ้ารื่นรมอยู่ในเทวโลกได้ครองเทวสมบัติตลอดเจ็สิบสี่ชาติได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจสบเจ็ดชาติ และได้เป็นพระเจ้าประเทศราฟอันไพ่บูร์นับชาติไม่ท้วนวิมานของข้าพเจ้าสูงลอยเด่นเหมือนสายรุง้งวิมานของข้าพเจ้ามีเสาพันต้นมีสีเลื่อมประพ ส, สอไม่มีวิมานอื่นเสมอเหมือนข้าพเจ้าสวยสมบัติทั้งสองแล้วอันกูสโรมูลตักเตือนจึงออกบวชมีศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโพดม ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเด็ดเดี่ยวเพื่อบำเพ็ญเพียรสงบประงับไม่มีอุปธิข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างไม่มีอาสวะดุจช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภินญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แลได้ทราบว่าพระนราคารกะเทระได้พาสิกขาทาเหล่านี้ด้วยประกาศนินราคารุกะเทราประธานที่ห้าจบหกจักจปะกะปุพพิยะเทราประธานประวัติในดิชาตาของพระจำปะกะปุพพิยะเทระพระจัมปะกะปุพพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาตาของตนจึงกล่าวว่า ในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อฉาปละพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุทัศนะประทับอยู่ระหว่างภูเขาข้าพเจ้าถือดอกจำปาเหาะไปทางอากาศได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสผู้ข้ามโอคากิเลสได้แล้วไม่มีอายสวะขณะนั้นข้าพเจ้าได้ยกดอกจำปาเจ็ดดอกขึ้นไว้เหนือศรีรษะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระจ้าปกระกปุพิยะเทระได้พาศิทธิานเหล่านี้ด้วยประการศนี้จ้าปกระกปุพิยะเทราประธานที่หจบเจ็ดปทุมะปูชกะเทราประธานประวัติในดิจ่าของพระประทุมะปูชกะเทระพระประทุมะปูชกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่เมฆไกลภูเขาหิมะพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อโรมสะก็เวลานั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะประทับอยู่ณที่กลางแจ้งเข้าไปแจาออกจากที่อยู่มากั้นดอกบวัวหลวงบังแดดถวายครั้นกั้นอยู่ตลอดหนึ่งวันแล้วจึงกลับมายังที่อยู่ตามเดิม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 ท่านพระปทุมะปูชกะเทระได้พาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิปทุมะปูชกะเทราประทานที่เจดจบพาณวาระที่สิบสาจบ8ตินมุติทายกะเทราประทานประวัติในดิจชาของพระตินมุติทายกะเทระพระตินมุติทายกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาตของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อลํปะกะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอุปติสะเสด็จจงกรมอยู่ณที่กลางแจ้งเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้ออยู่ในป่าดงทึบได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงเป็นพระสยามภูผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ ครั้งนั้นข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสได้ถวายยากลำ ม, มือหนึ่งสำหรับประทับนั่งแด่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นครั้นถวายแด่พระองค์ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพแล้วก็ทาชิดให้เลื่อมสอย่างยิ่งถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศเหนือพอข้าพเจ้าไปได้ไม่นานราชสีได้เบียดเบียนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถูกราชสีทําให้ล้มลงได้สิ้นชีวิตลงในที่นั้นเพราะกรรมที่ข้าพเจ้าทําแล้วในสํานักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้ไม่มีอาสวะข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดยังเทวโลกด้วยความเร็วแห่งลูกศรที่หลุดแล่นไปด้วยดีแล้วในเทวโลกนั้นมีปราสาทงดงามที่บุญกรรมเนรมิตไว้แล้วสูงหนึ่งพันชั่วธนูมีเจ็ดชั้นสะพรั่งไปด้วยธง ราบระด้วยแฝวมณีสีเขียวรัศมีของประสาทนั้นโวยพุ่งดุจ ด, ดวงอาทิตย์อุทยัยปราสาทแออัดด้วยเหล่านางเทพพัญญาเขาพระเจ้าบันเทิงเรองรมด้วยวัตถุกรามและกิเลสกรามเขาพระเจ้าอันกวศสมูุตักเตือนแล้วจุติจากเทกวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้บรรลุความสิ้นอาสวะในกลับที่เก้าบสนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายที่นั่งไว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 ติณมุติทายกะเทราประธานที่แปดจบเก้ตินาทุ ก, กะพละทายกะเทราประธานประวัติในดิจจ่าของพระตินาทุกะพละทายกะเทระพระตินาทุกะพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจจ่าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไดเห็นพระพุทธเจ้าผู้โชดช่วงดังดอกปัญกาประาศจากทุลีคือกิเลส ข้ามโอคากิเลได้แล้วไม่มีอาสวะประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขาข้าพเจ้าเห็นต้นมะพร้าวกำลังมีผลจึงหักมาพร้อมทั้งกา้านมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าเวชภูเนี่ยกลับที่เ1้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระติ น, นาทุ ก, กะพระทายกะเทระได้พาส็จกรรมเหล่านี้เลือกประการฉนี้ สนทุกกะพระทายกะเทราประธานที่เกจบ10เอกัญชริยะเทราประธานประวัติในเดตชาติของพระเอกัญชริยะเทระพระเอกัญชริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะประทับอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำ ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกีเลสมีพระรัศมีรุ่งเรืองดุจ ด, ดวงจันทร์มีพระรัศมีเรืองรองดุจฐานไม้ตะเกียนที่กระทบที่ปากเบ้ารุ่งโรดดุจ ด, ดาวประกายพลิเข้าพเจ้าได้ประคองอัญชลีไหว้ครั้งหนึ่งในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ประคองอัญเชลีไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลย นี้เป็นผลแห่งการประคองอัญเชลีคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอกัญชริยะเถระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้เอกัญชริยะเถราประธานที่สิบจบ เอกาปทุมมะวัคที่สาห้จบบริบูรณ์ร่วมอภิทานที่มีในวักนี้คือ 1. เอกาปทุมิยะเถราประทาน 2. ตีนุปละมาลิยะเถราประทาน 3. ามทชชทายกะเถราประทาน 4. ตีนิกิงกณิปูชกะเถราประทาน 5. นลาคาริกะเถราประทาน6 จำปะกะปุพยะเทราประทานเจ็ดปทุมมะปูชกะเทราประทาน 8. ตีนมุติทายกะเทราประทาน 9. ก้าตินาทุ ก, กะพละทายกะเทราประทานสิ 10. เอแคนชลิยะเทราประทานบัณฑิต ท, ทั้งหลายคำนวณคถาไว้หกสิบหกคถา สัทธะสัญญกะวักหมวดว่าด้วยพระสัทธะสัญญกะเป็นต้นหนึ่งสัทธะสัญญกะเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระสัทธะสัญญกะเทระพระสัทธะสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้อเที่ยวอยู่ในป่าดงทึบได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหมูเทวดาแวดล้อมในป่านั้นซึ่งกำลังทรงประกาศสัจจะสี่ช่วยเหลือมหาชนเขาพระเจ้าได้ฟังพระดำรัสที่ไพเราะเปรีบด้วยเสียงนกกระเวกเ ข, ขาพระเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระสุรเสียงของมหามุนีพระนามว่าสิขีผู้มีพระสุรเสียงดังพรมเป็นเผ่าพันธุ์ของโลกได้บรรลุความสิ้นอสวะแล้วในขับที่สสิเอด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 ได้ภาษิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ ส, สัทธสนิกะเทราประทานที่หนึ่งจบสองเยาวกกลาปิยะเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระเยาวกกลาปิยะเทระพระเยาวกกลาปิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นคนทำนาเข้าเหนียวอยู่ในกรุงอรุณวดี ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หนทางจึงลาดฟ้อนเข้าเหนียวถวายให้ประทับ พ, พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีผู้ทรงอนุเคราะห์ทรงมีพระปรุณาเป็นผู้นําชั้นเลิศของโลกทรงทราบความคิดของข้าพเจ้าจึงประทับนั่งเบนเครื่องลาดฟ้อนเข้าเหนียวข้าพเจ้าเห็นพระองค์ผู้ปราศจากมนทินผู้เพลงพินิจมากผู้นําวิเศษประทับนั่งแล้ว จึงเกิดความปราโมทได้สิ้นชีวิตลงณที่นั้นในขับที่3ามสบเอ็ดนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการลาดฟ้อนเข้าเหนียวคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเยะวะปลาปิยะเถระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการาชณีเยะวะกลาปิยะเถราประธานที่สองจบสากิงสุขะปูชกะเถราประธานประวัติในดีิจจ่าของพระคิงสุขะปูชกะเถระพระคิงสุขะปูชกะเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้าได้เห็นต้นทองกวาวมีดอกบานสะพรั่งจึงประนมมือประลึกถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะแล้วบูชาในอากาศเนี่กลับที่เกสนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า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 ส ก, สกุลสกโกรันททายกะเทราประทานประวัติในดิจฉาของพระสกุลสกโกรันททายกะเทระพระสกุลสกะโกรันททายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้พบรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันุ์ของโลกทรงเหยียบไว้จึงห่มหนังจัชเฉวียงบ่า ได้ไหวยรอยพระบาทที่ประเสริฐแล้วเห็นต้นงอนไก่งอกขึ้นอยู่บนแผ่นดินมีดอกบานสะพรั่งจึงเด็ดถือมาพร้อมทั้งกล้านได้บูชารอยพระบาทที่วิจิตด้วยลายจักเนกับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปด และอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสะกุลสกะโกรันทะทายกะเทระได้พาสุขถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สกุสกะโกรันทะทายกะเทราประธานที่สี่จบหาทันทะทายกะเทราประธาน ประวัติในดิจจ่าของพระธันทะทายกะเทระพระธันทะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจจ่าของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเข้าไปยังป่าดงทึบตัดไม้ไผ่ทําเป็นไม้ขอสําหรับแขวนสิ่งของนำมาถวายแก่สมฆข้าพเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีวัดงามด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นครั้นถวายไม้ขอแล้ว จึงบ่ายหน้าหลีไปทางทิศเหนือเนื้กลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายไม้ขอไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายไม้ขอคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกขแปและอภินญาหกเขาพ ร, า 6, ขาระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหล ได้ทราบว่าท่านพระทันททายกะเถระได้พาสิุคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ทันททายกะเถราประธานที่ห้าจบหอัมพะยาคูทายกะเถราประธานประวัติในดิชาติของพระอัมพยาคูทายกะเถระพระอัมพยาคุทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิดชาติของตนจึงกล่าวว่า พระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสยามภูพระนามว่าสตารังสีผู้มีทรงไพ่แพ้ออกจากสมาธิแล้วเสด็จเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อปิิศาข้าพเจ้าเห็นพระประเจติข้าพเจ้าแล้วมีใจผ่องใสได้ถวายมะม่วงและข้าวยาภูแด่ท่านผู้มีใจผ่องใสไม่มีที่สุดในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้น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 อัมพยาผุทายกะเทราประธานที่หกจบเจสุ ป, ปุตกะปูชกะเทราประธานประวัติในดิจจ่าของพระสุ ป, ปุตกะปูชกะเทระพระสุ ป, ปุตกะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจจ่าของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จออกจากที่พักกลางวันแล้ว พระองค์เสด็จเที่ยวพิกษามาถึงที่พำนักของข้าพเจ้าลำดับนั้นข้าพเจ้ามีปิติมีใจยินดีได้ถวายเกลือห่อหนึ่งแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้คงที่แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกลับหนึ่งในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายห่อเกลือไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเกลือห่อหนึ่ง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 มันจะทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระมันจะทายกะเทระพระมันจะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าเลื่อมใสได้ถวายเตียงหนึ่งตัวด้วยมือของตนแด่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่เขาพระเจ้าได้ยานพาณิชคือช้าง ยานเทียมด้วยม้าและยานทิพ บ, บริบูรณ์เพราะผลแห่งการถวายเตียงนั้นเขาพระเจ้าจึงได้บรรลุความสิ้นอาสวะในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายเตียงไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเตียงคุณวิเศษเหล่านี้เคลปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินญาหกเขาพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมันจะทายะกะเทระได้ภาสิทธาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้มันจะทายะกะเทราประทานที่แปดจบเก้ 9. สารณะขมานิยะเทราประทานประวัติในดิจิทัลของพระสรณะขมานิยะเทระพระสรณะขมานิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นภิกษุและข้าพเจ้าผู้เป็นอาชีวกพลงเรือไปด้วยกันเมื่อเรือกำลังจะอับปางภิกษุได้ให้สรณะแก่ข้าพเจ้าีนกลับที่สามิเอ็ดนับจากกลับนี้ไปภิกษุได้ให้สารณะแก่ข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักทุกปิเลยนี้เป็นผลแห่งการถึงสรณะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี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 ประวัติในดิตชาติของพระปิณฑปาติกาเถระพระปิณฑปาติกาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าติสสะประทับอยู่ในป่าดงทึบข้าพเจ้าจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมายังมนุษยโลกนี้ได้ถวายบินตบาทข้าพเจ้าครั้นถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าติสสะ ผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ทําจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วได้กลับไปยังสวรรค์ชั้นดุสิตในลับที่เก้าสิบสองนับจากลกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายบิณฑบาตคุณวิเศษเหล่านี้คพอปฏิสัมภิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปิณฑะปาติกะเทระได้พาสิกคถาเหล่านี้ด้วยประการชนะนี้ปิณฑะปาติกะเทราประธานที่สิบจบสัทธะสัญญกะวักที่สาสบกจบบริบูรณ์ร่วมอภทานที่มีนิวักษ์นี้คือหนึ่งสัทธะสัญญกะเทราประธาน สองเยะวะกลาปิยะเทราประทาน 3. อิงสุกะปูชกะเทราประทาน 4. ส, สโกสกะโกรันททายกะเทราประทานหาทัน ท, ท, ทนัทายกะเทราประทาน 6. อัมพยาคุทายกะเทราประทาน 7. สุปุตกะปูชกะเทราประทาน 8. มันจะทายกะเทราประทาน เก้าสรณคมนิยะเทราประธานสิบปินทปาติกะเทราประธานและมีคถาสี่สิบคถาสามสิบเจ็มัณทาระวะปุพยาวั์ หมวดว่าด้วยพระมัณฑาระวบุพยะเป็นต้นหนึ่งมัณฑาระวบุพยาเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระมัณฑาระวบุพยาเทระพระมัณฑาระวบุพยาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าแปลงร่างเป็นมนุษย์ชื่อว่ามงคลจากสวรรค์ชั้นเดวดึงลงมายังมนุษย์โลกนี้ถือดอกมนฑารบ มากันไว้เหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่เขาพระเจ้ากั้นอยู่ตลอดเจ็ดวันแล้วจึงกลับมายังเทวโลกอีกในกลับที่เก้าสบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า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 กักรุปุพยเถราประทานประวัติในดิจชาตของพระกักรุปุพยเถระเป็นต้นพระกักรุปุพยเถระเรมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจากสวรรค์ชั้นมิยามาลงมายังมนุษย์โลกนี้ได้ถือดอกฟักทิปมาบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมผู้มีสิริเนี่ยกลับที่เกบสองนับจากกลับนี้ไป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 ได้พาศิกขาเหล่านี้ด้วยประการนินีะ ก, การูปปุพยเถราประธานที่สองจบสมพิสมุตลาละทายกะเถราประธานประวัติในดิชาติของพระพิสมุตลาละทายกะเถระพระพิสมุตลาละทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าผุสะ ทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงประสงค์วิเวกมีพระปัญญาเสด็จมาที่สำนักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระชนเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาได้ถือเ ง, งาบัวและรากบัวมาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในกลับที่9ก้าบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายเงาบัวและรากบัวไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปิเลย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 พิสมุลาละทายกะเทราประธานที่สามจบ 4. เจสระปุพิยะเทราประทานประวัติในดิจาติของพระเกสระปุพิยะเทระพระเกสระปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจาติของตนเจนกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นวิทยาธร อ, อยู่ที่ภูเขาหิมพานได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุรีคือกิเลส มีพระย์ยิ่งใหญ่กําลังเสเด็จจงกรมอยู่ครั้งนั้นข้าพเจ้าทูลดอกบุญนาคสามดอกไว้บนศีรษะเข้าเฝ้าแล้วบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูเนื้อลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี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 ประวัติในดีิจจ่าของพระอังโกละปุพยเทระพระอังโกละปุพยเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดีิชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะประทับอยู่ที่ภูเขาจิตรกูดเขาพเจ้าได้เห็นพระสยามภูพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วจึงเข้าเฝ้าขณะนั้นเขาพเจ้าได้เห็นต้นป ร, รูมีดอกบานสะพรั่ง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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอังโกละปุพยเถระได้พาสุคฐานเหล่านี้ด้วยประการาชนีอังโกละปุพยเถระประทานที่ห้าจบหกระทำพระปุพยเถระประธานประวัติในดิตชาของพระกระทำพระปุพยเถระ พระกะธรรมพระปุพยเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้มีพระชวีวันดังทองคำผู้เช่นกับทองคำมีค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการกำลังเสด็จไประหว่างร้านตลาดพระพเจ้านั่งอยู่ในปราสาทที่ประเสริฐได้เห็นพระองค์ทรงเป็นผู้นาสัตว์โลก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 ได้ทราบว่าท่านพระกระทำพระปุพพิยะเทระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิก ร, ระทำพระปุพพิยะเทราประธานที่หกจบเจอุทารลกะปุพพิยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระอุทารลกะปุพพิยะเทระพระอุทารลกะปุพพิยเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่า ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะประทับอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาข้าพเจ้าได้ถือดอกคูนไปบูชาพระองค์ผู้มีทรงไพ่แพ้เนกกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้เคปฏิสัมพิทาสี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 ประวัติในดิตชาตของพระเอกาจัมปะกะบุพยะเถระพระเอกาจัมปะกะปุพยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สงบประงับประทับอยู่ระหว่างภูเขาข้าพเจ้าถือดอกจาปาดอกหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นนรชนผู้สูงสุดมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอกจัมปะกะบุพยะเถระได้พาสิข า, าเหล่านี้ด้วยประกาศนี้เอกจัมปะกะบุพยะเถราประธานที่8จบ 9. ติมีระบุพยะเถราประธานประวัติในดิจชาติของพระติมีระบุพยะเถระ พระติมิระปูพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าที่ไปตามกระแสริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นพระประเจกขพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคืกิกเล็เหมือนต้นพยาไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถือดอกดีหมีมาโปรยลงเหนือพระเศียร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 ได้ทราบว่าท่านพระติมิระปุพยเถระได้พาสศึกิถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ติมีระปุพยเถราประธานที่เก้าจบสิทละปุพยเถราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระสละปุพยเถร ะ, ระพระจละปะุพยเถร ะ, ะ, ระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่า ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นกินนอนอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาขณะนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงเป็นผู้องค์อาจกว่านรชนเสด็จจงกรมอยู่จึงได้เลือกเก็บดอกช้างน้าวมาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระมหาวีระเจ้าทรงสูดดมกลิ่นดอกช้างน้าวซึ่งมีกลิ่นหอมดังดอกไม้ที่ย ขณะที่ข้าพเจ้าดูอยู่นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้มีความเพียรมากทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงรับแล้วสูดดมกลิ่นข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีถวายอภิวาพระองค์ผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ประคองอัญเชลีแล้วกลับขึ้นไปยังภูเขาตามเดิมเนี่ขับเที่เก้าสบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 ได้พาสิกาถาเหล่านี้ด้วยประการะฉนี้สลระปุพยะเทราประทานที่สิทจบมัณาระวะปุพยะวัคที่สามสิบเจดจบบริบูรณ์ร่วมอปทานที่มีนิวักษ์นี้คือหนึ่งมัณทาระวะปุพยะเทราประทานสองกัการุปุพยะเทราประทานสพิสมุติลาละทายกะเทราประทาน 4. เกจระปุพยะเทราปทานหอังโกละปุพยะเทราปทาน 6. ปรธรรมภะปุพยะเทราปทานเจอุทาลกะปุพยะเทราปทาน 8. เอกจัมปกะปุพยะเทราปทาน 9. ติมีระปุพยะเทราปทานส0สละปุพยะเทราปทานและนิคาถา สี่สิบคาถา